ก่อบูชาประธานาธิไตรก่อบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรพเมื่อยังพระอาจารย์ไปสารหลวงพ่อกมครูบาอาจารย์พันเตเพื่อนสาธมิกเจริญพรเมื่อยังไม่ชีแล้วก็อ น, นุนปฏิบัติทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นวันอังคาร ที่ยีดตุลาคมพุทธศักราชสองพยสองนห้าเจ็ดะตรงกับวันขึ้นหขั้นเดือนส2บสองก็ยังตามปกตินะนั่งกันตามสบายนะได้ความตื่นรู้นะตื่นเช้ามา <c oughs> บางคนนะจะยังวุงนน่นเหวี่ยนหอน สมเซานะก็ปลุตัวเองนิดนึงนะให้ตื่นขึ้นนะหลังจากที่เราพักผ่อนหะลับนอนนะก็หลายคนนะก็คงจะรู้สึกคุ้นแล้วลนะ่นะวันนี้โดยเฉพาะคนที่มาใหม่เกีนะ่กับสถานทีนะ่ก็มาใหม่ๆก็อาจจะไม่คุ้นนะอาจจะนอนไม่ค่อยหลับนะอาจจะรู้สึกนอนไม่อิ่ม อันนี้ก็เป็นธรรมดาเนาะก็ค่อยๆปรับเนื้อปรับตัวนะกับสถานที่กับกิจวัตรประจาวันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งของการที่เราพยายามปรับตัวนะปรับกายปรับใจนะให้สามารถที่จะอยู่ได้อย่าง <c oughs> เป็นปกติอันะนี้ก็เป็นความสามารถอันหนึ่งนะของคนเรานะที่ประู่ในที่ใดก็ตามนะ เราก็พยายามที่จะปรับกายปรับใจของเรานะให้เข้ากับสถานการณ์นะกับสถานที่นะให้กับสังคมนะชุมชนนะแล้วก็ทําให้เกิดความสะดวกสบายนะขึ้นมาโดยเพิ่มยิ่งการมาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยก็ว่าไปก็มีความพอเหมาะพอดีนะเรียกว่าสัปะยะนะ่ะหรือความสบายนะ ในเรื่องของที่อยู่อาศัยในเรื่องอาหารการกินนะในเรื่องของการได้ฟังสิ่งที่เป็นสารประโยชน์นะที่เรียกว่าเป็นธรรมสัพยานะก็เราได้ยินได้ฟังนะสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์นะเพื่อการปลดปล่อยนะความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเรานะเลยว่าพ้นไปจากสิ่งที่ อยู่ภายในจิตใจของเราเราได้ยินได้ฟังนี่ก็เป็นความรู้ที่ได้จากการได้ยินได้ฟังเรียกว่าเป็นความรู้ที่เกิดจากการฟังเรียกว่าจดจำได้รู้จักภาษาบาลีเรียกว่าสุตตมยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดการได้ยินได้ฟังหรือบางคนก็อ่านหนังสือฟังซีดี นะนี่ก็เป็นปัญญาเป็นความรูนะ้ที่ทำให้เกิด <c oughs> ความเข้าใจนะแล้วก็มีความศรัทธานะทีนี้พอเราได้ยินได้ฟังแล้วนะเราก็นำไปพิจารณาใคร้ครวนนะบางทีก็ใช้ความคิดหานะเหตุหานะผลต่างๆนาะนาะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ถ้าสมเหตุสมผลนะเป็นไปไดนะ้เป็นสิ่งที่ <c oughs> เราสามารถจะทําได้นะก็ทําให้ความศรัทธาเราเพิ่มขึ้นนะเป็น <c oughs> ปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาเรนะเรียกว่าจินตมัยปัญญานะทีนี้ความรู้ความเข้าใจใน2ระดับเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมในการนำไปสู่ปัญญาขั้นที่3นะก็คือปัญญาที่เกิดจากการเอา ความรู้ความเข้าใจความจดจําได้ต่างๆเนี่ยนำไปปฏิบัตินะแล้วก็เกิดผลขึ้นมานเราเรียกว่าปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติมีประสบการณนะ์ภาษาบาลีเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาเพราะฉะนั้นในการ <c oughs> เรียนรู้งานะเรื่องชีวิตงานะเรื่องกายเรื่องใจของเราเนี่ยนะเราก็ควรที่จะพัฒนาให้ไปถึง ภาวนามัยปัญญาให้ได้นะเราอย่าเพียงแค่จดจาได้หมายรู้เข้าใจนะแล้วก็ชื่นชมยินดนะีในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนะฟังแล้วนะก็ไม่ได้นำไปปฏิบัตินะก็อาจจะไม่ได้ผลเต็มที่นะหรืออาจจะได้ผลไม่ไม่สมบูรณ์ทีเดียวนะเราอ่านหนังสือก็ดีนะเราสวดมนต์ก็ดี นะหรือม้แต่เรานําไปพิจารณาไข่ขวนก็ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นปัญญา <c oughs> ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเป็นปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาคร่รวนแต่จะดีขึ้นขึ้นไปอีกนะก็คือการนําไปปฏิบัติการลงมือปฏิบัตินะแม้ว่ามันจะเกิดผลในแง่ของดีหรือไม่ดีก็ตามนะ หรืออาจจะเกิดผลดีผลผลเสียก็ตามก็ถือว่าเป็นประสบการณนะ์เราไม่กลัวว่ามันจะผิดหรือมันจะถูกการที่เราลงมือ ล, ล, ลงไปเนี่ยแน่นอนละมันมีผิดมีถูกนะมีหลง ม, มีรูนะ้แต่ตรงนั้นนะเป็นประสบการณ์ที่เราจะอาจเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นนะจากการที่เราทดลองหรือการปฏิบัติจริงๆนะซึ่งอันนี้นจะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นภายในตนจริงๆ นะเป็นความรู้เฉพาะตัวจริงๆนะซึ่งก็ตรงกับที่เราสวดมนต์ไปนะัก็คือธรรมะที่พึงรู้ได้ด้วยตนเองนะธรรมะที่เรารู้โดยการได้ยินได้ฟังจากคนอื่นงานะนั้นเป็นธรรมะที่มาจากคนอื่นนะมาจากข้างนอกนะซึ่งก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดนะีแต่ถ้าจะดีมากๆก็คือเราทํานะแล้วก็ให้เกิดผลกับตัวเรา โดพวกกันมาที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่าเออความทุกข์ของคนเราเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทัานความคิดนะปรุงแต่งต่าง ๆ, ๆนะแล้วก็เครื่องมือที่จะให้รู้เท่าทัานความคิดปรุงแต่งต่าง ๆ, ๆก็คือสติสัมปชัญญะนะหรือความรู้สึกตัวนั่นเองนะนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินทุกวันทุกวันนะ ในการมา <c oughs> นะร่วมฝนะัฟังธรรมหลังจากการได้พระสดมนจากความจำจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเราได้นำไปปฏิบัตินะทำอย่างไรนาะที่จะเราจะมีความรู้สึกตัวนะรู้เท่าทันความคิดพรุงแต่งต่างๆนะซึ่งอันนี้ก็มีเทคนิคมีวิธีการมีรูปแบบนะที่จะปฏิบัตินะที่จะกระทาลงไป นะืซึ่งหลายคนนะก็คงจะเคยได้ผ่านการเรียนรู้งานะวิธีการอาจจะริยนสตินะทั้ง <c oughs> วิธีการต่างๆอานะจะเป็นนั่งหลับตาก็ดีเลืมตาก็ดนะีมีการบริกรรมหรือไม่มีการบริกรรมงานหะรือนิ่งๆงานหะรือ เ, เคลื่อนไหวงา น, ะนี้ทุกวิธีเนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายร่วมกันนะตรงที่จะให้เราเนี่ยนะ มารู้กายรู้ใจนรู้กายรู้ใจของเรานั่นเองการรู้กายคือรู้อะไรนะก็รู้กายที่มันนุ่งมันไหวนรู้กายที่มันปวดมันเลื่อยนรู้กายที่มันเย็นร้อนอ่อนแข็งนะและไม่ใช่เพียงรู้กายในตัวนะก็รู้สิ่งแวดล้อมภายนอกที่เราต้องไปเกี่ยวข้องนะจะเป็นบุคคลก็ดีเป็นสังคมชุมชนก็ดี เราก็รู้เท่ารู้ทันนะว่าควรทำอะไรอย่างไรนะนี่ก็เป็นสติเป็นสัมปัจฉญันญะที่เกี่ยวข้องกับกายโดยพระยิ่งยึ่งนะการเจริญสติด้วยการขึ้นไหวนะที่เราได้ฝึกกันที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะก็มีจุดหมายนะที่จะให้เรา เ, นะเรียกว่าให้ใจมาอยู่กับกาย ทำนะไมใจต้งมาอยู่กับกายเพราะโดยส่วนใหญ่เรามีชีวิตเนี่ยนะใจเนี่ยมันหลงไปกับความคิดปรุงแต่งหลงไปกับอารมณ์ต่างๆ่านะซึ่งตรงเนี้ยนะบางทีก็ดีใจบางทีก็เสียใจบางทีก็พอใจบางทีก็ไม่พอใจนะเกิดความยินดียินร้ายนะเรียกว่าใจเนี่ยนะมันไม่เป็นปกตนะิใจมันขึ้นขึ้นลงๆ ใจมันฟูฟฟบแ ฟ, ฟนะตรงเนี้ยเพราะว่าเราไม่รู้นะเราไม่รู้ปรากฏการเหล่านี้นะ <c oughs> ทีนี้เมื่อเรามาฝึกฝนนะให้ใจมีสติอยู่กับกายนะเรียกว่ากายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะตรงนี้เนี่นะมันก็ทําให้เราเนี่ยนะมีชีวิตนะอยู่กับปัจจุบันนะไม่ไม่ไม วิตกกังวลไปกับอนาคตไม่อะไรอวร์ไปกับเรื่องของอดีตตรงนี้ <c oughs> ก็ทาให้ใจของเราเป็นปกติได้เรียกว่าผ <c oughs> ูดภาษาง่ายๆก็คื อ, อมีใจอยู่กับเนื้อกับตัวหรือภาษาที่พูดกันทั่วๆไปว่าขวัญอยู่กับเนื้อกับตัวส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนเราไม่รู้เท่าทันเราก็ ใจเนี่ยมันก็ตลอดเปิดเปิงนะไปกับความคิดไปกับอารมณ์ต่างๆนะไปกับสิ่งแวดล้อมภายนอกนะในสังคมในกคำโฆษณานะในค่านิยมต่างๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันก็คุ้มดีคุ้มร้ายนะก็กระใจไม่ปกติ นะซึ่งอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งที่ทําให้ <c oughs> เป็นความทุกอย่างหนึ่งมานะที่เกิดขึ้นนะภายในใจิตใจของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้นีเอ ง, เองนะจึงเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องร่งรวยมาเป็นสิ่งที่เราพึากระทํานำะในชีวิตที่มีอยู่ในเะฉพาะที่มีโอกาสมาวัดป่าสุกโตก็ดีหนะรือมากลับไปที่บ้านก็ดีในะเรื่องนี้นเป็น เป็นเรื่องสำคัญน่าเป็นเรื่องที่เราควรจะใส่ใจน่แต่ว่าก็อย่างว่านะเนาะเรื่องของใจเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนมันมองไม่เห็นมันมองยากเพราะนั้น <c oughs> ความใส่ใจในเรื่องนี้จึงมีไม่มากนะเนี่ยโดยทั่วไปน่เรามีเรื่องที่สำคัญกว่าน่าจะเป็นเรื่องการ ไมมาเร่งนะโรคเครียดนะโรคเครียดนะจะมาเป็นอันดับหนึ่งนะเส้นตรงนี้เนะี่ยในสังคมที่จะเดินก้าวหน้าทาง เ, าเทคโนโลยีก็ดีเศรษฐกิจก็ดีนะอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะก็เป็นสังคมที่มีความเครียดมากนะมีการฆ่าตัวตายนะถึง3ปีละสามหมนกว่าคนนะเส้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่หนะ้า น้าพิจารณาเหมือนกันในประเทศไทยเราก็ไม่ใช่น้อยนะเรื่องความเครียดนี่และการฆ่าตัวตายนีไม่ได้เฉพาะาชาวบ้านเท่นั้นนะแม้แต่พระเองนักบวชเองก็มีการฆ่าตัวตายเหมือนกันในเมไั่น ม, นนมนันก็ได้ข่าวว่าที่สนงูกเนี่ยมีพระภิกษุสูงอแยนะท่านก็คงจะซึมเศร้าหรืออะไรไม่ทราบนะก็ผูกคอตายนันก็เป็นข่าวที่ โอ้เราฟังแล้วเราก็กลับมาดูตัวเราเองเหมือนกันเนาะว่าโอ้ภาวะอย่างนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอนะนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ที่น่าพิจารณาตรงนี้นก็เพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่รู้เท่าทันความคิดนะไม่รู้เท่าทันอารมณ์จิตนะใจเราไม่เข้าอยู่กับเนื้อกับตัวเพนะราบ้านตรงนี้หนาจำเป็นเรื่องจําอื่น งานที่เราจะให้ชีวิตของเรานี้เป็นปกติสุขได้การฝึกเจริญสติงานไะด้การเคลื่อนไหวก็ดีในการนั่งนิงน่งก็ดีงานะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งงานะที่จะให้ใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื่อกับตัวใหม่ๆเนี่ยสำหรับคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยนะให้เราพยายามที่จะรู้สึกตัวหรือว่ามีเจตนามีความตั้งใจงานะที่จะมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหว มาลีที่เราหมายใจก็ได้นะแต่ลมหายใจเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเบามานะแล้วมันก็จะเป็นเองดังนะนั้นคนใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์หรือจะมีประสบการณ์ก็ตามนะ <c oughs> การใช้ลมหายใจอาจจะเบาอาจจะไม่ชัดนะการใช้กายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันจะชัดเป็นเป้าใหญ่นะการยกน้อยกมือก็ดีการเคลื่อนไหวเดินจงกรมก็ดี เรามีจุต้องหมายที่จะให้เราเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะเห็นกายที่เคลื่อนไหวหยับหยาบ่อก่อนเนะมื่อรเราเห็นกายที่เคลื่อนไหวหยับหยาบ่อยๆซ้ํนนาแล้วซ้ําอีกเนี่ยนะมันก็จะไปเห็นสิ่งที่มันละเอียดเข้าไปนะที่เป็นนามธาทำนะจะเป็นความรู้สึกปวดเมื่อยความร้อนความยินนะหรือบางทีเนะี่ย เมื่อเราชัดที่กายแล้วเนี่ยมันก็จะไปชัดที่เราหายใจให้มันละเอียดอีกนะกระพิบตาก็รู้สึกตัวกลืนน้ำลายก็รู้สึกตัวมาจากความรู้สึกตัวที่กายหยาบๆนี่แหละนามันจะนําไปสู่กายที่ละเอียดแล้วก็นําไปสู่ความรู้สึกนะ <c oughs> พอใจไม่พอใจสุขทุกข์ยินดียินร้ายนะซึ่งภาษาบาลีลเรียกว่าเวทนา นะเวทนานี่ไม่ใช่น่าสงสารนะคนไทยเราเนี่ยเอาคำบาลีไปใช้เนี่ยมันเพีย้ยนไปเยอะเวทน า, นาราบอกน่าสงสารนะแต่ในภาษาบาลีคาเดิมจริงๆเนี่ยมันก็คือความการสวยอารมณนะ์ในความยินดียินร้ายความพอใจไม่พอใจความสุขความทุกข์หรือความไม่สุขไม่ทุกขนะ์ความเป็นปกติเฉยๆเนี่ย นี่ก็เป็นเวทนาซึ่งมันก็ <c oughs> สติงานด้ความรู้สึกตัวที่เราพัฒนาแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปรู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วก็พัฒนาเข้าไปอีกนะถ้าเราทำซ้ำๆทำบ่อยๆทำไม่แม้ทอย่างเดิม่แหละนะตัวสติตัวปัญญาตัวสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวเนี่ยเขาก็จะละเอียดแหลคมคม เข้าไปรู้นจิตที่มันคิดนึกอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเป็นรังของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความไม่รู้เท่าทันความคิดนั่นเองความคิดเปลี่แปลงต่าง ๆ, ๆนั่นเองตัวนี้จะเป็นตัวที่อาจะทําให้เราเห็ น, นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็สามารถแก้ได้น่ด้วยกันลนะ ย่งขณะที่เราเดินจงกรมก็ดีสร้างจังหวะก็ดีในรูปแบบเนี่ยนะมันมีความคิดวาดขึ้นม า, านะเราก็ทิ้งมันไปเลยไม่สนใจเลยความคิดกับมารสักตัวคิดดีก็ไม่เอาคิดไม่ดีก็ไม่เอานะคิดเรื่องการเรื่องงานก็ไม่เอาขณะที่เราปฏิบัตินี่นะนี่ไม้แต่คิดเรื่องบ้านคิดเรื่องการเรื่องงานคิดเรื่องต่างๆคิดเรื่องเศรษฐกิจสังคมที่เร่หมดเลย ในช่วงการฝึกปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยตรง น, นี้มันจะเป็นการหัดปล่อยหัดวางเรเรียกว่าทาให้ใจมันปล่อยวางการปล่อยวางเนี่ยเราไปคิดเอาว่าจะปล่อยวางไงมันไม่ได้หรอกเราเรียกว่าคิดดูเนมันไม่ได้นะมันต้องรู้รู้คิดรู้ทันนะรู้ให้เท่าให้ทันมันทิ้งให้หมดเลยตอนทิ้งเนี่ย นะแล้วก็กลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวงานะรูบางคนเ น, น่อยู่ที่ราหายใจอยู่ที่กรรมนิกรรมอะไรก็แล้วแต่งานะนี้ก็เป็นวิธีการที่ให้รู้จักการปล่อยการวางมานะจากสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเราก็เอามาปฏิบัติงนะตรงนี้มันจะทาให้เกิดผลอะไรขึ้นงานะผลที่จะเกิดขึ้นก็คือใจเรารู้สึกว่างเปล่งเบาสบายนะเพราะเราเกิดการปล่อยวางการปล่อยวางโดยความรู้สึกตัว ด้วยสติด้วยปัญญ า, านี่แหละมนาะที่มันเห็นอยู่บ่อยๆแรกๆก็ใส่สติก่อนความรู้สึกตัวกับมารู้สึกตัวเรืยบ่อยๆนั้นก็จะเห็นวนะ่าความคิดมันก็แวบมาแล้วมันก็แวบไปบางทีก็เป็นความคิดเก่าๆนี่แหละมันะเป็นเรื่องเก่าๆนี่แหละมันไม่ยอมไปนะมันก็มาอีกอันนี้เราก็จะเห็นความไม่แน่นอนความแปรเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงความไม่คงที่ และแล้วก็สิ่งที่เราบังคับบัญชามันไม่ได้ตรงนี้แหละเราเจเห็นความจริงหน้าของใจหน้าของจิตที่มันแสดงตัวหน้าความแปรปลีนเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความจริงเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เราไม่ได้ไปบังคับบัญชาและไม่ได้ไปสร้างไปเสริมขึ้นมาแต่มันเป็นของมันเองเราเห็นความเป็นเองหน้าของจิตใจที่มันคิดนึกไปต่างๆนานาแต่ก่นี้ ไม่เอาจ เมื่อสิปีที่แล้วนะหรือว่าเป็นชีวิตในอนาคตแต่ตรง น, นี้ก็ไม่ได้หมาความว่าเราทํางานเล้จะไม่มีการวางแผนก็มีนะเพยียงแต่ว่าเรารู้จักเอาความคิดมาใช้ความคิดมันมีสองอย่างเนาะอันหนงความคิดที่ตั้งใจคิดนะอันนี้เราจะใช้ในการในงานสังเกตว่าความคิดประเภทนี้เนะี่นยเมื่อเราใช้เสร็จมันจบมันก็วาง แต่ความคิดอันที่สองคือความคิดปนตังคิดจุกคิดจิกคิดไม่จบไม่สิ้นนะหลวงพ่อคาเขียนใจกันว่ารักคิดไอ้รักคิดนี่แหละนที่มันทําให้เหนื่อยเหนื่อยทำให้เราเพื่อบางทีนอนก่อนก่อนจะนอนก็เอาไปคิดแล้บางทีไม่ใช่เฉพาะแค่ก่อนจะนอนนะเอาไปนอนมันมาไปฝันเลยนะเออเนี่ยไอ้ความคิดประเภทนี้นะมันเรียกว่ามันไม่รู้จักจยุดจัก สังเกตดีเนี่ยในชีวิตประจําวันของเราไอ้ความคิดจะมิติสองมันเยอะมากมเราเราก็รู้สึกน้ำคามันรู้สึกจะทำอย่างไรดีที่จะให้มันหมดไปหายไปนะทีนี้ถ้าเรามาฝึกสติเนี่ยเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้นะการที่เราเดินจงกลมสร้างจังหวะมันจะงนี้ความคิดประเภท น, เนี้มันจะผุดขึ้นมา้เราเห็นถ้าเราเห็นเนี่ยก็เหมือนกับเรา เห็นความจริงเราเรียกวาเห็นขี้ไอตัวขโมยอ่ะไอตัวขโมยความคิดเนี่ยไอความคิดที่ขโมยขโมยใจเราขโมยความรู้สึกเราไปมาตรงเนี้ยเจอเนี่ยถ้าเราเห็นนะมันจะหนีนะมันไม่ซื้อเลยนะแต่ถ้าเรา <c oughs> ไม่เห็นมันเนี่ยมันก็จะครอบนำใจเราแล้วมันก็จะมามาเ่บ่อยๆ ดังนั้นตรงนี้เราเรียกว่าเราไม่มีกําลังเราไม่มีอำนากเราไม่สามารถที่จะไปตอกกอนกับมันได้แต่ไม่ใดก็ตามที่เราพัฒนาความรู้สติว่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันจับไว้ขึ้นให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยมันก็จะลดทอนใ้ความคิดจบคิดจิตนะฮะให้น้อยลงไปหรือว่ามีกําลังน้อยลงไปนะแต่มันก็คงจะยังไม่หมดไปทีเดียวหรอก เนะพียงแต่ว่ามันไม่มีอำนาจมันไม่มาทําความรําคาญให้กับเราเวลาจะหลับจะนอนแล้วก็ปล่อยวางนะแล้วก็หลับดีหลับลึกนะม่ฝันหรือฝันน้อยหรือบพีงแค่จะฝันเนี่ยถ้าความรู้สึกตัวดีความรู้สึกตัวก็จะเข้าไปทํางานนะเข้าไปเรียกว่ารู้เท่าตันพอรู้เท่าตันเนี่ยไอ้ความคิดประเภทนั้นก็จะวางไป เพราะนความคิดอันที่หนึ่งเนี่ยเมื่อเราทำการทำงานมันจะคมชัดขึ้นแล้วมันก็จะมีประสิทธิภาพมากแล้วก็ตอนนี้เนะี่ยเรียกว่าความรู้สึกตัวจะเป็นผู้จัดระเบียบความคิดไม่ได้ไปกำจัดความคิดให้หมดไปนะการฝึกตเตือนสติไม่ได้มุ่ ง, งหมายที่จะทำให้ความคิดหมดไปแต่จะจัดระเบียบความคิดว่าความคิดไหนควรจะามาใช้ความคิดไหนไม่จำเป็นต้องใช้เราเรียกว่าตอนนี้ นะมันจะทำให้เรา <c oughs> เสามารถที่จะจัดการกับความคิดไดนะ้ซึ่งเป็นเรื่องที่ที่จะเป็นประโยชนะ์กับการที่เราจะมีชีวิตนะและก็การทำการทำงานนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเครื่องมือสาคัญนะที่เราสามารถจะทำให้เกิดมีมานะกขึตัวเราเองได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรารู้เอาไกลเหล่านี้ นะแล้วก็เราได้ฝึกนะได้ทดลองนะได้เห็นผลจริงเนี่ยนะตรงนี้มันจะทำให้ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังมั น, ะนไปสู่การปฏิบัติแล้วเมื่อปฏิบัติแล้วก็เกิดผลความศรัทธาที่เรามีจากการได้ยินได้ฟังเนี่ยมันก็จะเป็นศรัทธาที่หนักแน่นขึ้นน้อนใจขึ้นแล้วก็เห็นจริงมนสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนะซึ่งตรงนีนะ้ก็จะเป็นเครื่องคาจน นะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นปกติสุขแล้วก็ทำการทำงานผิดพลาดน้อยลงนะก็ทำให้างานการเนี่ยประสบความสำเร็จนะชีวิตของเราก็มีความเป็นปกติสุขนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะ <c oughs> ความสุขเนี่ยมันจะเกิดเพิ่มภายในตัวเราเท่านั้นนะมันก็จะเผยแผนะ่ไปกับคนใกล้เคียงเพื่อนฝูงคนในครอบครัวพรเพื่อนร่วมงานนะ ความเป็นปกติสุขภายในใจิตใจเนี่ยมันเป็นความสุขที่ประณีตเป็นความสุขที่ละเอียดมาเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วเป็นความสุขที่ไม่ต้องไปหาจากที่ไหนมะเป็นความสุขที่ได้มาเปล่าๆได้มาฟรีๆไม่ต้องไปเสียเ ง, งินเสียทองไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนมันมีนอยู่แล้วมาเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สัมผัสมันในเหตุที่ไม่ได้สัมผัสเพราะเราไม่ได้มาเรียนรู้มันจริงๆมนะ เพื่อสัมที่เราจะใช้ในการเรียนรู้ก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองคือสติสัมปชัญญะนั่นเองที่เราได้ฝึกฝนได้อบรมนะอยู่บ่อยๆนะไม่ใช่เพียงแค่มานะอยู่ที่วัดป่าสุกตเท่านั้นแลนะ่เรากลับไปบ้านนะเราก็ยังนำไปฝึกฝนะไปอบรมต่อเนื่องไปนะเรามาอยู่3มวัน5วัน7วัน1เดือน3าเดือนหรือ1ปีก็ตาม นะถ้าเราไม่ได้นำไปฝึกฝนต่อนะมันก็อาจจะเลือนไปได้นะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ <c oughs> ถ้าเราไม่ได้ทำให้มันต่อเนื่องนะมันก็ยังจะเลือนหายได้เพราะงั้นะการที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็ดีพิจารณาใค่ควรแล้วก็ดีก็ยังเลือนะที่จะเอาไปทดลองไปปฏิบัตินะไปทำนะให้เกิดผลขึ้นมา ในระหว่างการปฏิบัติมันก็มีอุปสรรคมีปัญหาบ้างก็ไม่เป็นไรนะเช่นความเหนื่อยหน่ายนอนความเบื่อความฟุ้งซ่านนะอันเนี้ยเป็นแบบฝึกหัทั้งนั้นเลยเป็นบบเรียนให้เรามาเรียนรู้ทั้งนั้นเลยที่สุดของความเหื่อยคือความตื่นะความฟุ้งสร่านมาเนี่ยเพื่อจะใช้เป็นอุปกรณ์ในการให้เรารู้นะความเหลมเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่แต่งให้เรารู้ถ้าไม่มีความเหลมเราก็ไม่มีความรู้ ถ้าไม่มีความเรื่องก็ไม่มีความตื่นงานนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ <c oughs> เป็นแบบฝึกหัดและเป็นสิ่งที่เรียนรู้เพราะฉะนั้นคนที่ฝึกใหม่ๆก็อย่าพงท้อแท้มา ท, ทําทีไรเรื่องทุกทีเลยนะตั้งใจเลยเนาะกลางวันยังไม่นอนมันจะเรื่องเท่าไหร่ก็ไม่กลับกุฏิเลยกับมันมาทำกับมันทำมันแร่ไปลองผิดลองถูกตรง น, นี้ การมองผิดลองถูกในสุดท้ายมันจะรู้ว่าอ๋ออย่างนี้มันผิดอย่างนี้มันถูก ที่สุ